การที่เราเข้ามาหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อมาหาความรู้ความรู้ที่จะทำให้เรามีความสุ ข, ขาโลกนี้มีวิธีหาความสุขได้หลายรูปแบบด้วยกันแต่การหาความสุขส่วนมาก มันมีข้อเสียอยู่คือมันเป็นความสุขไม่นานเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่มีวันสิ้นสุดพอสูญเสียสิ้นสุดความสุขไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ทางพระพุทธศาสนานี้รู้วิธีหาความสุขที่จีรังถาวรที่ไม่สูญไม่สิ้นไม่สุดที่มีอยู่แล้วก็จะมีอยู่ไปเรื่อยๆวความสุขของพระพุทธศาสนานี่เป็นความสุขที่ไม่เหมือนความสุข ของทางโลกความสุขของทางโลกนี้ต้องมีสิ่ ง, งนั้นสิ่งนี้ถึงจ ะ, ะมีความสุขได้ยันต้องมีเงินต้องมีอานาจมีตำแหน่งต้องมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ไว้ให้เสพให้สัมผัสแต่ของพวกนี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีบางทีมีแล้วก็หมดไปเวลามันหมดไปเวลาที่ไม่มีมันก็ทําให้เราไม่มีอะไรไม่มีความสุขทําทให้เรา เศร้าทำให้เราว้าวเวแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเนี่ยเป็นความสุขที่เราไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องมีตําแหน่งไม่ต้องมียศ ไม่ต้องมีใครมาให้หลังวีหลังวัยกย่องสรรเสริญเยือนยอไม่ต้องมีรูปให้ดูไม่ต้องมีเสียงให้ฟังไม่ต้องมีกลิ่นให้ดมไม่ต้องมีรสให้ดิ้มรสไ ม, ม่ไม่ต้องมีอะไรมาให้จับให้ต้องเป็นความสุขภายในใจ อันนี้เป็นความสุขที่แน่นอนกว่าเพราะไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยยศตำแหน่งไม่ต้องอาศัยการสรรเสริญเยินยอมลังวี่ลังวันไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อันนี้แหละที่พวกเราควรที่จะศึกษาวิธีที่จะหาความสุขแบบนี้เพราะถ้าเรารู้จักวิธีแล้วเราสามารถหาความสุขแบบนี้ได้เราจะสบายเราจะไม่ต้องวุ่นวายเหมือนกับที่เราวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้ เราวุ่นวายกับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้ความสุขกับเราวุ่นวายกับสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ได้อยู่ในตัวเรามันอยู่ข้างนอกตัวเราเราต้องไปหามาเวลาหามาก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายากลำบาก พอได้มาแล้วมันก็หมดไปอย่างรวดเร็วเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาเราไปดูรูปเวลาได้ดูรูปก็มีความสุขฟังเสียงก็มีความสุขแต่พอมันผ่านไปแล้วมันก็หายไปเช่นเวลาเราดูภาพยนตร์มีทั้งรูปมีทั้งเสียงให้ดู เราก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินพอดูเสร็จแล้วมันก็หายไปพอให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายทำให้เราอยากดูอีกอยากฟังอีกเราก็ต้องไปดูไปฟังีฟังดูกี่ครั้งฟังกี่ครั้งก็เหมือนกันดูแล้วมันก็ผ่านไปหมดไป ก็ต้องไปดูอยู่เรื่อยๆแต่ตาหูที่เราใช้ดูใช้ฟังนี่มันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันต่อไปตาก็จะเสื่อมหูก็จะเสื่อมเพราะร่างกายจะแก่ลงไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถ ดูหรือฟังได้เหมือนตอนที่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาจะตายก็จะกลัวกันเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราใช้ในการหาความสุขเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็หาเงินหาทองไม่ได้หาตาแหน่งหายศไม่ได้หาการยกย่องสรรเสริญเยินยอไม่ได้หาลูปเสียงกิ่นรดต่างๆไม่ได้ต้องมีร่างกายต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่ร่างกายมันก็แข็งแรงสมบูรณ์ได้ระยะหนึ่งต่อไปมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆมันก็จะแก่มันจะเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เป็นเวลาที่สร้างความไม่สบายใจให้กับเราความสุขที่เคยได้จากร่างกายก็กลายเป็นความทุกข์มา แต่ถึงแม้ว่าจะให้ความทุกข์กับเราขนาดไหนเราก็ยังอยากจะมีร่างกายอยู่เวลาร่างกายอันนี้ตายไปเราก็มาหาร่างกายอันใหม่ได้ร่างกายอันใหม่มาเกิดใหมเ่เพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายหาความสุขเองแล้วก็ทําทอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ชีวิตของเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆสลับกับความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขนี่เดียวๆแต่ความทุกข์นี่มันนานและมันหนักเวลาไปเที่ยวสนุกขนาดไหนก็ตามพอกลับมาบ้านความสุขนั่นก็หายไปแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ถ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปเที่ยวก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเว่รู้สึกหงุดหงิดลคาญใจนี่คือวิธีหาความสุขของพวกเราไม่เหมือนกับวิธีหาความสุขของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหาความสุขโดยการทำใจให้สงบ ถ้าควบคุมใจให้สงบให้นิ่งได้ใจจะมีความสุขแต่ใจจะสงบใจจะนิ่งนี้ต้องจะต้องหยุดคิดไม่ไม่ให้คิดอะไรถ้าคิดแล้วมันจะไม่สงบมันไม่นิ่งวิธีที่จะทำให้ใจสงบ ก, ก็ต้องใช้สติเป็นผู้ควบคุม สิ่งที่จะทำให้ใจสงบได้ก็คือสติสติก็คือผู้ที่จะสั่งให้หยุดคิดนั่นเองถ้าเราสั่งให้หยุดคิดแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าสติมีกำลังน้อยเหมือนรถยนต์ที่เราสั่งให้มันหยุดแล้วมันไม่หยุดนี่แสดงว่าเบรกมีกำลังน้อยหรือเบรกไม่ดีเวลาเราขับรถแล้วถ้าเราเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดนี่ เราก็ต้องเอารถเข้าอู่เพื่อที่ให้ช่างเขาแก้ซ่อมทำเบรกให้ดีเพราะถ้าเราขับรถแล้วเบรกไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องประสบกับอุบัติเหตุจะต้องไปชนกับรถคันอื่นหรือจะต้องวิ่งแหกโค้งิงเราก็ต้องมีมีเบรกเหมือนกัน สตินี้เป็นเบรกของจิตจะเบรคความคิดของจิตถ้าตอนนี้เราสั่งให้จิตหยุดคิดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีเบรคหรือเบรกมีกำลังน้อย <Yeah. S 1> เราก็ต้องไปหาที่ติดเบรกกัน <Yeah. S 1> เหมือนไปเข้าอู่เอารถไปเข้าอู่เอาจิตไปเข้าอู่เอาจิตไปติดเบรก ที่ติดเบรคของจิตก็คือที่สงบสถานที่สงบให้เรียกว่าที่วิเวกที่ไม่มีไม่มีใครไม่มีคนไม่มีอะไรต่างๆเช่นไปตามป่าตามเขาไปที่ตรงไหนที่ไม่มีคนที่ตรงนั้นแหละเป็นที่วิเวกเป็นที่เราจะติดเบรคได้ วิธีที่จะติดเบรกวิธีที่จะสร้างสติขึ้นมาถ้ามันคิดก็ให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดใกล้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวจะให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดความคิดอย่างอื่นได้มันก็จะไปมันก็จะไม่ไปคิดถึงเงินทองไม่คิดถึงตำแหน่ง ไม่คิดถึงรางวีรางวัลไม่คิดถึงรูปเสียงกล็่นอดต่างๆถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดกับเรื่องต่างๆไม่ได้ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็ให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจสวดไปเรื่อยๆอย่าหยุดสวด มันก็จะทำให้เราหยุดคิดได้ออมันหยุดคิดเราก็หยุดสวดได้พอมันไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ต้องพุทธโธก็ได้ถ้ามันคิดเราก็ใช้พุทธโธต่อสวดมนต์ต่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเราสามารถสู้กับความคิดได้หยุดความความคิดได้ เราก็มานั่งละทีนี้พอเราควบคุมความคิดได้ขั้นต่อไปเราก็ต้องมานั่งเฉยๆให้ร่างกายมันนิ่งเพราะว่าถ้าร่างกายไม่นิ่งใจมันนิ่งไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ควบคุมร่างกายนั่นเองเวลาเดินนี้ใจต้องทำงานเวลาทำอะเวลาร่างกายทำอะไรอยู่ใจต้องทำงานใจจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อ ร่างกายนั่งเฉยๆไม่รับรู้อะไรหลับตาหลับหูหลับตาแล้วก็ให้ใจอยู่นิ่งๆถ้ามันคิดก็ใช้สวดมนต์ก็ได้ใช้พุโทโธก็ได้ถ้ามันไม่คิดก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกเฝ้าดูลมไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ให้นั่งดูลมหายใจไป พุโทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ถ้ามันไม่คิดไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ต้องพุโทโธก็ได้แต่ต้องให้มันมีอะไรทำให้มันมีอะไรดูให้ใจดูลมหายใจเข้าออกดูไปไม่ต้องควบคุมบังคับลมลมจะสั้นจะยาวจะหยาบละเอียดนี้ไม่ต้องไปไปควบคุมบังคับมันให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ลม เข้าหรือลมออกให้รู้ตรงจุดเดียวตรงจุดที่ลมเข้าลมออกก็คือที่ปลายจมูกตรงนั้นเราจะสัมผัสรู้สึกลมได้เวลาลมมาแตะที่ปลายจมูกเวลาเข้าก็ต้องมาแตะที่ปลายจมูกเวลาออกก็ต้องแตะที่ปลายจมูกมันก็จะเข้าออกตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก พราะถ้าตามเข้าตามออกจิตก็ต้องทำงานไม่ต้องการให้จิตทางานให้จิตรู้เฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยดูที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสัน้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยเฉย ถ้าไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลมไม่มีลมก็ดูความว่างไปดูเฉยๆอยู่กับความว่างไปอย่าให้คิดเนี่ยเช่นอย่าไปคิดว่าเอ้ยลมหายใจไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะตายหรือเปล่าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็จะพยายามหายใจแรงๆเพื่อจะได้มีลมถ้าอย่างนี้ใจก็ต้องกลับมาทำงาน ใจก็จะไม่นิ่งถ้านั่งไปแล้วลมมันละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดไปจน ก, กระทั่งเหมือนกับไม่มีลมก็ให้รู้ว่าตอนนี้มันไม่มีลมให้เห็นไม่มีลมให้ดูแต่ไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีใครตายจากการนั่งดูลมเพราะเป็นเวลาที่จิตละเอียดเป็นเวลาที่ลมละเอียดเราต้องดูต่อไป เมื่อไม่มีลมให้ดูก็ดูดูความว่างไปดูว่าคิดอะไรหรือเปล่าอย่าให้คิดพอมันคิดก็หยุดมันได้ถ้าเรานั่งดูลมได้แล้วเวลาจิตคิดอะไรพอเราสั่งให้มันหยุดคิดมันก็จะหยุดได้นังนั้นนั่งต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ พอจิตรวมแล้วทีนี้จิตก็จะนิ่งไม่ต้องทาอะไรนะไม่ต้องควบคุมจิตอั น, นั้นจิตจะไม่คิดโดยอัตโนมัติการดูลมก็ไม่ต้องดูต่อไปไม่ต้องดูอะไรเพราะมันจะมันจะดูความว่างมันจะดูผู้รู้มันจะเห็นผู้รู้ตัวผู้รู้ปรากฏขึ้นมาแล้วจะมีความสุขมาก จิตก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาคือท่า น, นั้นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนวุ่นวายถ้ามีเสียงได้ยินก็จะไม่เดือดร้อนถ้ามีความเจ็บทางร่างกายก็จะไม่เดือดร้อนอยู่กับความเจ็บได้อยู่กับอะไรได้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ถ้ามีอะไรมาให้สัมผัส จิตจะไม่มีการตอบโต้จิตจะเฉยจะสงบจะมีความสุขนี่แหละคือความสุขที่พวกเราจะได้รับจากการมาควบคุมจิตใจให้สงบไม่ให้คิดปุงแต่งแล้วเราถ้ามีความสุขแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขแบบอื่นเราหาความสุขทาง ร่างกายได้เลือกหาความสุขจากเงินทองได้เลือกหาความสุขจากยศยักจากตำแหน่งไดเ้เลือกหาความสุขจากรางวีรางวัลการสรรเสริญเยินยอได้ <Evet. S 1> เลือกหาความสุขจากการไปเที่ยวได้เลือกหาความสุขจากการมีแฟนได้ <Evet. S 1> อยู่คนเดียวได้จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเว ไม่เหมือนตอนที่หาความสุขทางตาหูจมูกขึ้นกายเวลาอยู่คนเดียวจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว้าเวแต่ถ้ามีความสงบแล้วใจจะไม่เหงาใจจะไม่ว้าเวใจจะอิ่มใจจะพอพราไม่มีความหิวความอยากความหิวความอยากมีเพื่อนมีอะไรนี่แหละทำให้เวลาไม่มีแล้วรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวขึ้นมา แต่ถ้ามีความสงบจิตนิ่งมีอุเบกขาจิตจะไม่ว้าเววจิตจะไม่รู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาจิตจะมีความสุขมากมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขหยุดความอยากหยุดความคิดพ อ, อความคิดหยุดไปจิตสงบความอยากก็หายไป ความอยากที่สร้างอารมณ์ว้าเวยสร้าซ้อยหงอเหงาสร้างอารมณ์หงุดหงิดก็สร้างความรู้สึกไม่ดีต่างๆก็จะหายไปหมดนีด่หละเป็นวิธีหาความสุขที่ปลอดภัยที่สุดแน่นอนที่สุดมั่นคงที่สุดยั่งยืนที่สุดเพราะไม่ต้องใช้ของที่ไม่เที่ยงต่างๆเช่นร่างกายเช่นเงินทอง เช่นตำแหน่งยศต่างๆเช่นการรังวีรังวันต่างๆเช่นรูปเสียงกลินรถต่างๆนี่แหละคือความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดไม่มีใครจะมาพากจากเราไปได้เพราะถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้จักวิธีรักษามัน มันก็จะไม่มีวันจากเราไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะทําให้เราไม่ต้องมาพึ่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องใช้ร่างกายถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็จะไม่เดือดร้อนถ้าร่างกายเป็นอะไรไปร่างกายแ ก, ก, ก, กยย่ก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อน แล้วก็จะไม่มามีร่างกายอันใหม่ด้วยเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบก็ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมืออาศัยร่างกายไปหาเงินหายศหาตำแหน่งหารังวี่รางวัลหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขแต่พอ มีความสามารถที่จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้<ม>ก็เลิกหาความสุขทางร่างกายได้เลิกมีร่างกายได้เลิกใช้ร่างกายได้ตอนนั้นร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่มีปัญหากับใจที่มีความสงบใจมีความสงบนี้มีความสุขในตัวแล้วไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไป ใจก็จะอยู่ไปอย่างสบายเมื่อมีไม่มีเมื่อร่างกายตายไปก็จะไม่ ไ, มไปไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ไม่ไปเข้าคิวรอรับร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทำไว้ในขณะที่แสวงหาสิ่งต่า ง, างๆมาให้ความสุขนี่แหละคือวิธีหาความสุขที่ ถูกต้องที่ปลอดภัยปลอดจากความทุกข์ต่างๆปลอดทุกวิทหาความสุขที่ปลอดทุกข์กันวิธีอื่นนี้เป็นวิธีหาความสุขที่เต็มไปด้วยความทุกข์วิธีที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้เป็นวิธีที่หาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายก็ร้องกันทุกคนว่าทุกข์ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายกันเวลาได้ความสุขจากเงินทองก็ทุกข์พาะเวลาเงินทองหมดก็ทุกข์กันเวลาได้ความสุขจากยศจากตาแหน่งพอหมดตำแหน่งหมดยศก็ทุกข์กัน เวลาได้ลังวีรางวัลมาก็สุขกันเช่นดาราเขาไปรับรางวัลตุ ก, กตาทองกันคนที่ได้รับก็ดีใจมีความสุขคนที่ไม่ได้รับก็เสียใจทุกข์ใจก็สุขเดี๋ยวเดียวพอปีหน้าก็อยากจะได้อีกตัวละได้ตัวหนึ่งไม่พอพอปีหน้าไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจ ท, ทั้งที่ปีที่แล้วมีความสุขเหนือเกินที่ได้ตุ๊กตาทองมาแต่พอปีนี้ความสุขที่ได้จากตัวที่แล้วหายไปหมดแล้วเป็นความสุขชั่วคราวได้อะไรมาก็จะสุขตอนที่ได้เท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วตุ๊กตาทองตัวเก่าตั้งไว้ที่บ้านก็ดูเฉยๆ ไม่ได้ทำให้มีความสุขเหมือนตอนที่เวลาที่ไปรับมันตอนแรกๆต้องไปรับตัวที่สองถึงจะมีความสุขได้นี่แหละคือลักษณะของความสุขต่างๆที่เราหากันผ่านทางร่างกายมันจะเป็นความสุขแป๊บเดียวเหมือนควันไฟได้มาแล้วก็ต้องหมดไปถ้าอยากจะให้มันมีใหม่ก็ต้องต้องหาใหม่ เป็นความสุขจากดูภาพยนตร์ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวมันก็หมดไปต้องดูอีกภาพอีกเรื่องหนึ่งถึงจะมีความสุขใหม่ขึ้นมาทุกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นความสุขเดี๋ยวๆสุขชั่วขณะที่เราได้สัมผัสสุ บ, บุหรีว่วนนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวพอสูบหมดแล้วความสุขจากบุหรี่วันนั้นก็หมดไป ต้องไปหามวลใหม่มาสุกดื่มกาแฟก็เช่นเดียวกันดื่มถ้วยนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวพอมันหมดแล้วก็ต้องไปหาถ้วยใหม่มาดื่มทุกอย่างเป็นอย่างนี้เป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขเดียวๆต้องคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะต้องมีโอกาสที่จะหาไม่ได้เวลาหาไม่ได้เช่นเงินหมด จะไปดูหนังก็ไปไม่ได้จะไปซื้อกาแฟดื่มก็ไม่มีเงินซื้อซื้อบุหรี่สูบก็ไม่มีเงินซื้อตอนนั้นจะเอาความสุขจากอะไรเมื่อหาความสุขไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์ตามมานี่คือการหาความสุขของพวกเราถ้าเรายังใช้ร่างกายเรายังใช้เงินทอง ใช้ตำแหน่งใช้ยศใช้รังวีรังวัลใช้รูปเสียงเก่นรถต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราจะต้องมีความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น อ, อ๋อถึงแม้ว่าเราจะตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่ตายไปนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเป็นผู้รับใช้เราเท่านั้นเอง เหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งโทรศัพท์มือถือเราก็ใช้มันทําอะไรต่างๆที่เราต้องการออมันเสียมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่เพราะเรายังต้องการใช้มันอยู่ร่างกายก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่เราใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆหาความสุขต่างๆให้กับเราพอร่างกายหมดสภาพไป เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเข้าคิวลอรับร่างกายอันใหม่ของพ่อแม่คนใหม่เราให้พ่อแม่คนใหม่เขาผลิตลูกคนใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเข้าไปครอบครอบครองวิธีเราครอบครองร่างกายนี้ครอบครองอย่างไรเราส่งกระแสจิตกระแสความรอบรู้ของเราไปเกาะที่ร่างกาย เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราส่งกระแสไปส่งกระแสมาเกาะที่ตาเพื่อเราจะได้เห็นภาพเกาะกระแส ร, รับรู้ที่หูเพื่อเราจะได้ได้รู้เสียงก็มาส่งกระแสมาห้าสายด้วยกันที่เรียกว่าวิญญาณห้าวิญญาณในขันห้าเนี่ยมีอยู่ห้าเส้นมาเกาะที่ตาหูจมูกริ้นกาย ออกมาเกาะภาพก็สามารถรู้ภาพรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผดทพะได้แล้วเราก็จะไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายกันพ่อแม่เราก็คิดว่าร่างกายเป็นเราตัวพ่อแม่เองก็คิดว่าร่างกายของพ่อแม่เป็นตัวของพ่อแม่มก็เลยรักตัวกลัวตายกัน เพราะกลัวร่างกายจะตายทั้งๆที่รู้ว่ามันจะต้องตายตายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คิดว่าเวลาร่างกายตายตัวเองจะตายไปกับร่างกายด้วยแต่ความจริงตัวเองไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหมือนโทรศัพท์มือถือกับคนใช้นี่มันคนละคนกันคนละอย่างกันเวลาโทรศัพท์มือถือเสียคนใช้ไม่ได้เสียไม่ได้ตายไปกับโทรศัพท์มือถือ คนใช้รู้ว่าคนใช้ไม่ได้เป็นโทรศัพท์มือถือแต่ใจไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นใจจะมารู้ก็ต่อเมื่อได้มาเจอพระพุทธเจ้าเท่านั้นมาเจอพระพุทธเจ้ามาเจอพระธรรมคำสอนหรือมาเจอพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกัน เราว่าใจนี่เป็นผู้มาเกาะมาใช้ร่างกายเหมือนมาใช้มือถือใช้มือถือเพื่อถ่ายรูปเพื่ออัดเสียงเพื่ติดต่อกับคนนั่นคนนี้เราก็ใช้ร่างกายในลักษณะเดียวกันถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะติดต่อกันไม่ได้เราจะคุยกันไม่ได้เราก็หลยต้องมีร่างกาย เพื่อเราจะได้คุยกับคนนั่นคุยกับคนนี้ได้เรามีร่างกายเราอยากจะมีอะไรเราก็ใช้ร่างกายไปหามาได้อยากมีเสื้อผ้าก็ไปซื้อมาอยากมีรองเท้าอยากจะมีอะไรก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่คนที่สั่งให้ร่างกายไปทาอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนกับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นโทรศัพท์มือถือ ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เราสบายใจเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะทำใจได้เราจะทาใจได้เหมือนกับเราทาใจกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี่เรารู้ว่ามันไม่ใช่แบตัวเรามันเป็นของเราก็ของเราชั่วคราวเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้เราก็โยนทิ้งไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของเรานล้ร่างกายนี้ก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ ที่เราใช้มันไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวพอมันเสียใช้ไม่ได้เราก็ต้องโยนทิ้งไปที่ทิ้งร่างกายก็คือวัดนี้เองนสาราสวดศพเนี่ยเป็นที่ทิ้งร่างกายเอาร่างกายไปทิ้งไว้ที่นั่นแล้ว เ, เดี๋ยวสับเลยอก็เอาเข้าเตาเผาไปเผาเสร็จก็กลายเป็นที่เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปแล้วก็เอาไปลอยอังคารต่อ สมัยนี้นิยมมาไปลอยในทะเลลอยไปในลำน้ําต่างๆเป็นการกำจัดร่างกายกําจัดมือถือเครื่องหนึ่งมือถือที่เราใช้แล้วมันใช้ไม่ได้เราทําอะไรถ้าเราไม่ทิ้งเราก็เก็บไว้เฉยๆเก็บไว้ในนิ้นช้างเก็บไว้ในตู้แต่มันก็ใช้ไม่ได้แะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเี่ยถ้าเรารู้ว่าเรากับร่างกายไม่ได้เป็นคนเดียวกันนี้ มันจะทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะความวิตกกังวลความห่วงใยความหวาดกลัวอะไรต่างๆนี้มันจะน้อยลงไปเหมือนกับเรารู้ว่ามือถือไม่ใช่ตัวเราของเรามือถือเสียมือถือหายเราไม่ได้หายไปกับมือถือไม่ได้เสียไม่ได้ตายไปกับมือถือร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย นี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับอย่างมหาศาลได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้รู้ความจริงรู้ว่าเรานี่เป็นอะไรรู้ว่าเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเราใช้ความคิดนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรเนี่ยวันนี้จะให้มาที่นี่ได้ก็ต้องคิดก่อนว่าเดี๋ยววันนี้มาวัดเนี่ยพ อ, อถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมา เมื่อวานนี้ไม่ได้มาวัดพ่ออะไรพาอไม่ได้คิดว่าจะมาวัดก็เลยไม่ได้สั่งให้ร่างกายมาวัดสั่งให้ร่างกายไปทำอย่างอื่นอันนี้คือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยคือตัวเราเรานี่แหละคือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ได้มาร่างได้ได้มารับร่างกายจากพ่อแม่ของเราแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือพ่อแม่ น, นี่ก็เป็นเหมือนโรงงานผลิต <c 's fine> โทรศัพท์มือถือ เราไปรับร่างกายมาจากพ่อแม่กว่าจะใช้ร่างกายได้ก็ต้องให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงดูก่อนเหมือนผลิตออกมาแล้วแต่ยังใช้งานไม่ได้ยังไม่เติบโตยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องเลี้ยงดูจนกระทั่งเติบโตนอกจากเลี้ยงดูแล้วยังต้องหาวิชาความรู้ให้ด้วยเหมือนถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์ก็ ออกมาจากโรงงานยังไม่มีโปรแกรมก็ต้องใส่โปรแกรมใส่แอปต่างๆเข้าไปถ้าไม่มีแอปก็ใช้งานไม่ได้ต้องใส่แอปเข้าไปพ่อแม่ก็จะใส่แอปให้กับเราส่งเราไปเรียนหนังสือไปหาความรู้ต่างๆจนกระทั่งเราเรียนจบมาหาลัยได้ปริญญาแล้วทีนี้ร่างกายเราพร้อมที่จะลุยได้แล้วพร้อมที่จะไปหาเงินทองพร้อมที่จะไปหา ยศหาตำแหน่งพร้อมที่จะไปหารังวีรางวัลพร้อมที่จะไปหารูปเสียงกิ่นรถได้ด้วยตนเอง น, ะนั่นล่ะอั่นนี้ล่ละคือมือถือของเราร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของเราเครื่องมือที่เราใช้หาความสุขแต่เป็นความสุขที่แบบควันไฟเท่านั้นเองหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปอย่างรวดเร็วพอหมดก็ต้องหาใหม่ถ้าหาได้ก็หาต่อไป ถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจวุ่นวายใจถ้าหาไม่ได้บ่อยๆก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายเพราะอยู่แล้วมันไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้ก็เกิดอาการซึมเศร้าเกิดอาการทุกข์ทรมานใจก้าฆ่าตัวตายกันก็เยอะเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังไม่สามารถหาสิ่งที่อยากได้ได้หรือ เสียของที่รักไปมันก็ผิดหวังเหมือนกันเสียคนรักไปเสียตําแหน่งไปเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปพอเสียไปแล้วไม่สามารถหากลับมาได้ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายก็ฆ่าตัวตายเอฆ่าตัวตายก็กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากมันยังไม่หมดความอยากมีร่างกายอยากใช้ร่างกายมันไม่หมด มันก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเปลี่ยนร่างกายอันใหม่แต่ก่อนจะมาเปลี่ยนร่างกายอันใหม่นี่ก็ต้องไปตกนรกก่อนไปพอใจตอนนั้นมันร้อนเหมือนเตาไฟมันเป็นนรกตอนที่ข้าตัว ต, วตายนี้ใจจะร้อนมากใจจะทุกข์มากก็ต้องรอให้ความร้อนความทุกข์ใจนั้นมันสงบตัวลงก่อนกลับมาเป็นปกติก่อนถึงจะได้มา เป็นมนุษย์ใหม่ได้นี่ก็คือเรื่องของชีวิตของพวกเราทุกคนวิธีการหาความสุขของพวกเราทุกคนเป็นวิธีหาความสุขที่ไม่ไม่ปลอดภัยจากความทุกข์เป็นวิธีที่หาความสุขที่เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบปลอดภัยหาความสุขแบบสบายไม่มีความทุกข์ตามมาไม่มีความผิดหวังตามมาไม่มีการสูญเสียตามมาไม่มีการพัดพลากจากการตามมาถ้าหาความสุขแบบทําใจให้สงบถ้าเราอยากจะ มีความสุขแบบไม่มีความทุกข์เราก็ต้องมาหัดทำใจให้สงบกันเราต้องหัดปลีกวิเวกกันต้องหัดไปหาที่อยู่คนเดียวถ้าตอนต้นยังอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไปหัดอยู่กับพวกที่ฝึกหัดไปก่อนเช่นไปอยู่ไปเข้าคอร์สวิธีปฏิบัติที่ไปเข้าคอร์สกันสามวันเจ็ดวันนี้ก็ไปฝึกวิธี ทำใจให้สงบกันพอเรารู้จักวิธีแล้วเราก็ไปหาที่วิเวกอยู่คนเดียวแล้วก็ทําใจให้สงบนถ้าเราทําใจให้สงบไม่ได้เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะรู้สึกเหงามากว้าเหวมากและอาจจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักวิธีแล้วเราสามารถทําใจให้สงบได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้แล้วต่อไปเราก็จะ มีความสุขกับการอยู่คนเดียวมีความสุขอยู่กับการทําใจให้สงบเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรากําลังทุกข์กันอยู่ตอนนี้ทุกข์กับเงินทองเงินทองนี่ทุกหลายรูปแบบเวลาหาก็ทุกเวลาหาเงินหาทองก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีอุปสรรคต่างๆนานามีความยากลําบาก มีเรื่องมีราวมีปัญหาหเวลาไปทำงานก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมงานกันแกล้งบ้างเพื่อนร่วมงานอิจฉาลิสยาบ้างมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นกว่าจะหาเงินมาได้สักก้อนพอได้เงินมาก็ห่วงเละห่วงกลัวเงินจะหมดเอกีก็ทุกข์เองแล้วถ้าถ้ากลัวหมดก็ไม่กล้าใช้ ถ้าไม่ใช้ก็ทุกข์อีกเพราะต้องการที่จะมีความสุขจากการใช้เงินก็ต้องใช้เงินอีกพอใช้เงินแล้วเดี๋ยวไม่เรามาัดระวังใช้มากกว่าหามาได้เดี๋ยวก็ทุกข์อีกพอจะเริ่มเป็นหนี้แล้วเป็นหนี้ก็จะต้องไปหามาใช้หนี้นี่คือความทุกข์ที่เราเจอกันพอเรายัางต้อง มีเงินเพื่อจะให้ความสุขกับเราเพราะเรายัางไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบเราก็ต้องทุกกับการหาเงินทุกกับการหาตำแหน่งเห็นไหคนที่อยากจะได้ตำแหน่งนี้บางทีเขาทำอะไรที่ต้องทำที่เขาไม่อยากจะทำแต่เขาก็ต้องทำเช่นต้องกราบเท้ากราบตีนผู้มีอำนาจผู้ที่จะให้ตำแหน่งกับเรา ต้องเลียก้นเลียขาเลียแข้งเขาต้องทาอะไรต่างๆเพื่อเอาใจเขาเพื่อเขาจะได้ให้ตำแหน่งกับเราอันนี้ก็เป็นความทุกข์เแล้วได้มาก็ต้องม า, ากังวลว่าตำแหน่งจะอยู่ไปได้นานไหมจะถูกเขาปลดหรือเปล่าถูกเขาโยกย้ายหรือเปล่ามันก็เป็นความทุกข์อีกแล้วพอถึงเวลาถูกปลดก็เสียใจ ก็ทุกข์อีกนี่คือการหาความสุขของเราหาความสุขด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะหาอะไรมันจะต้องมีความทุกข์เพราะมันไม่ได้เป็นเหมือนลองน้ำฝนสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เหมือนน้ำฝนถ้าเป็นน้ำฝนก็ดีอยากจะได้เงินเดี๋ยวพอฝนตกลงมาเงินก็ตกมากับฝนทุกคนก็ไปลองไปรอรับเงินกัน อย่างนี้ก็ไม่ต้องทํางานกันสบายถึงเวลาอยากได้ตาแหน่งก็รอฝนตกพอฝนตกตําแหน่งที่เราอยากได้ก็ลอยลงมาเวลาอยากจะได้รางวี่รางวัลก็รอให้ฝนตกถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ก็สบายแต่ของทุกอย่างที่เราอยากได้นี่มันไม่ได้เป็นเหมือนฝนตกนมันเหมือนของที่เราต้องไปขุดในเหมืองอ่ต้องขุดเข้าไปใต้ดินขุดทองขุดเพชรนี่ เขาต้องขุดลงไปลึกบาที่ลงไปเป็นกิโลนึงนะถึงจะไปได้ได้เพชรได้พลอยที่เขาต้องการกันต้องเสี่ยงภัยอันตรายดีไมด่ดีถ้าเหมืองถล่มก็บางทีก็ตายในเหมืองติดขังอยู่ในเหมืองอดตายอยู่ในเหมืองนั่นเองนี่นหละคือการหาความสุขแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เพราะเราไม่รู้วิธีหาความสุขแบบง่ายๆแบบสบายแบบไม่ยุ่งยากแต่เรากลับทากันไม่ได้เพราะใจเราไม่สู้เราไม่สู้วิธีหาความสุขแบบนี้วิธีให้หยุดคิดวิธีให้อยู่คนเดียวอันนี้เราไม่สู้เราไม่ชอบแต่ความจริงแล้วมันเป็นวิธีที่ง่ายแสน ง, ง่ายกว่าวิธีที่เรากำลังหากันอยู่ในตอนนี้ เพราะว่าเราไม่เคยกับวิธีนี้เราเลยไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วมันก็เลยไม่อยากจะทำเท่นั้นเองชอบทำ ว, วิธีที่เคยทำมาวิธีที่เราเคยทำมาถึงแม้มันจะยากเย็นขนาดไหนเมื่อกลับมันก็กลายเป็นของง่ายไปเพราะเหมือนเราชานาญเราชินกับมันนะหาเงินง่ายกว่ามานั่งเฉยๆทำใจให้สงบหาตำแหน่งง่ายกว่าที่จะมานั่งทำใจให้สงบ หาลูกเสียงกลิ่นโน้หาอะไรต่างๆมันง่ายเพราะเราชํานาญเราเก่งเราคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับการใช้มือที่เราถนัดถ้าเราถนัดมือขวานี่เราจะใช้แต่มือขวาเราจะไม่ใช้มือซ้ายเพราะใช้มือซ้ายแล้วมันไม่ถนัดมันยุ่งยากมันลาบากแต่ความจริงมือซ้ายกับมือขวามันก็เหมือนกัน ถ้าเราหัดใช้มือซ้ายไปต่อไปเราก็จะถนัดเองก็คนที่เขาถนัดซ้ายทําไมเขาใช้มือซ้ายได้เพราเขาเคยใช้มือซ้ายมาตลอดเขาก็จะถนัดซ้ายเขาก็จะไม่ชอบใช้มือขวาก็เท่านั้นเองวิธีหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีที่หาแบบแบบง่ายง่ายกว่าวิธีที่เราหากันอยู่นี้แล้วปลอดภัยไม่มีความทุกข์ตามมาไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง ให้ไปอยู่คนเดียวหาที่สงบแล้วก็ควบคุมความคิดให้คิดไปในเรื่องที่ทำให้มันไม่คิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธหรือให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์ไปก่อนจนกว่าเราจะสามารถหยุดความคิดได้ไม่ให้คิดได้ถ้าเราคุมความคิดได้ขั้นต่อไปเราก็นั่งนั่งเฉยเฉยเพื่อให้ใจนิ่ง เพราะถึงแม้ว่าใจจะไม่คิดมันก็คิดอยู่บ้างแต่คิดไม่มากเราต้องการให้มันหยุดคิดเต็มที่เราก็ต้องนั่งเฉยๆให้ใจให้ร่างกายถ้านั่งเฉยๆใจจะได้ไม่ต้องทำงานถ้าเราใช้ร่างกายทำนู่นทำนี่ใจก็ยังต้องทำงานอยู่ยังต้องคิดคิดให้มันเดินคิดให้มันยืนคิดให้มันนั่งยังต้องคิดคอยควบคุมมันอยู่แต่พอนั่งเฉยๆใจก็จะหยุดทางานได้เต็มที่ แล้วตอนนั้นจิตก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีความสุขมากนี่แหละเป็นวิธีหาความสุขที่ไม่ยากเย็นอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเลยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่สบายก็ยังหาความสุขแบบนี้ได้เพราะเราไม่ใช้ร่างกายเป็นวิธีเครื่องมือหาความสุขแบบนี้เราใช้การหยุดความคิดเป็นเครื่องมือเราใช้การดูลมหายใจเป็นเครื่องมือ หรือถ้าไม่มีลมหายใจก็ดูความว่างไปให้อยู่กับความว่างอย่าให้มันคิดถ้าคิดก็หยุดมันแล้วต่อไปจิตมันก็จะไม่คิดมันก็จะนิ่งจะสงบจะสักแต่ว่ารู้จะไม่มีความรักความชามความอยากความโลภอะไรต่างๆความกลัวความหลงจะไม่มีจะอยู่อย่างเป็นสุขไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด นี่แหละเป็นวิธีง่ายลองมาทำกันดูไม่ยากหรอกถ้ายากก็จะไม่มีคนทำได้พอพระพุทธเจ้ามาสอนคนที่เขาเข้าใจเขาก็เอาไปทำกันพอทำกันเขาก็ได้รับประโยชน์ได้รับเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีความสุขแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าเลิกหาเงินหาทองเลิกหาตาแหน่งหายศเลิกหาเรียกงว่รางวัล เลิกหารูปเสียงกลิ่นรสมานั่งเฉยๆมาทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุขอย่างมากแล้วก็จะมีความสุขไปตลอดเพราะความสุขนี้จะไม่จากเราไปเพราะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจถึงแม้ร่างกายจะจากเราไปความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันไม่ได้จากเราไปมันอยู่กับเราต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด มันทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายใหม่ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ไม่ต้องมาทุกข์ ก, ก, กับการหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหารางวี่หารางวัลหารูกเสียงกิน่นรสหาอะไรต่างๆนานากันหามาแล้ก็ต้องทุกข์เพราะเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปอยู่ดีเวลาร่างกายตายไปของต่างๆที่หามาได้ก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว เงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้รังวีรางวัลที่ได้รับมาก็เอาไปไม่ได้ลูกกตาทองโล่ทองคำอะไรรางวัลต่างๆที่ได้มาเอาไปไม่ได้เลยร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความอยากความหิวความอยากจะหาความฉุกใหม่ก็ต้องไปรอเข้าคิวไปเกิดใหม่ ไปรับร่างกายใหม่แล้วก็ต้องมาเลี่ยงดูร่างกายใหม่ให้มันเจริญเติบโตจนกว่าจะสามารถใช้ร่างกายไปทำอะไรใหม่ได้ทำได้ก็ได้ความสุขเดียวเดียวเดียวมันก็หมดไปอีกนี่คือความสุขของ ส, สองอย่างความสุขที่พวกเราหากันเรียกว่าความสุขทางโลกความสุขทางร่างกาย ส่วนความสุขของพระพุทธเจ้านี้เราเรียกว่าความสุขทางธรรมความสุขที่ใช้ธรรมคือสติเป็นตัวทำให้ใจสงบแล้วเรามาหาธรรมกันดีกว่าอย่าไปหาเงินทองหารางวัลหาอะไรเพราะมันเป็นการหาความทุกข์มาหาความสงบมาหาความสุขจากการหาธรรมดีกว่าแล้วเราจะมีความสุขไปตลอด อาละนะก็าคิดว่าพอสมควรจะเวลาจะอนุโมทนาให้พรยัถ า, าวาริวาหาปุร า, าริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังออปกัปติอิชิตังปัชิตังตุมหังทิปะเมวะสนิจจตุสัพเพปุเรนตุชังกปา จันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสพีติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาภิวาทนศสีฤทธานิจจัง วุฒาปจายโนะจัตตารโอธรร ม, มาวาธานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เต็มสูงสุด424ค่ะแล้วก็ยูทูบ133วิทยุ15ค่ะเกือบ600นะ500กว่า 5้2ค่อ5เจ็สองค่ ะ, อ, ะอยากจะถามอะไรครับพระอาคารคกับท่านเออปดีว่าอยากขอโอกาสถามคำถามเอ่อผมเป็นก็เป็นผู้ปฏิบัติอยู่สม่าเสมออยู่ทุกวันโดยจะมีคำถามสักสองสาคำถามถามพระอาจารย์คำถามแรกก็ค่อนข้างซิมโป้นิดนึงก็คือว่าเวลาเราบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆพระจิตเราสงบพุทโธหายไปขณะที่หายไปแล้วเรากลับมาลู้อีกทีนึง ช่วงนั้นเนี่ยเราขาดสติหรือเปล่าครับใช่ขาดไปแล้วนอกจากถ้าเรารู้ว่าเราหยุดแล้วเร า, เราหยุดเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเราหยุดพักอนี้ก็ไม่ได้หายแล้วใน<ร>ขณะเจตนาต้องรู้ว่าเราหยุดเองครับแล้วตอนช่วงที่จิตมันสงบลงไปแล้วเราก็ดูจิตเราเฉยๆเนี่ยแต่บางทีเวลามันผ่านไปเร็วมากในขณะ น, นั้นเนี่ยมันมีเกิดดับอยู่ข้างในหรือเปล่าที่เราไม่ทราบอะอาจจะมีอะไรอ ย, อย่างอื่นที่มัน ยังมีการทำงานอยู่แต่เราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจให้ดูตรงที่ความคิดของเราอย่าให้มันคิดอย่าให้มันอยากส่วนจะมีเสียงมีลูกมีอะไรปรากฏเกิดดักก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วเวลานั่งสมาธิทุกวันมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันบางวันเวลานั่งปุ๊บจิตรวมง่ายแต่บางวันนั่งแล้วรู้สึกว่ามันแน่นมันอัด อย่างเยเราควรจะเอาเทคนิคอะไรที่จะอ๋อมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เรามาเกี่ยวข้องในวันนั้นบางวันเรามีเรื่องมากมันก็คิดมากมันก็ยากต่อาการที่จะหยุดมันมันรถที่วิ่งเร็วแตะเบรกทีเดียวมันก็ไม่หยุดต้องแตะเบรกนานๆเอ็นบางวันยากเพราะว่าบางทีจิตเรามีเรื่องฟุ้งอยู่มากหรือบางทีวันนั้นสติเราไม่ค่อยดี เราไม่ค่อยควบคุมไม่ค่อยตั้งไม่ได้ตั้งสติปล่อยให้ใจไหลไปกับความคิดพอจะมาหยุดมันก็ไม่มีสติที่จะหยุดมันมันก็จะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไม่ไปกงังวลถือว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์เราก็พุทโธพุทโธไปเริ่มต้นใหม่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีสติรู้สึกว่ามันยากเราก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนวันที่มันง่าย เพราะยิ่งอยากมันยิ่งจะทรมานใจแล้วมันจะไม่ได้พุทโธมันจะไม่ได้สร้างสติขึ้นมาแล้วขณะที่จิตเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความสงบในลักษณะของของตัวมันเองแต่รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับการกดทับไม่ให้มันคิดแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเหมือนเราไปเราไปดันให้มันอย่างนี้ก็คือมันเป็นกระบวนการที่เราไม่ควรเข้าไปทําไปแทรกแซงเลยก็ต้องทําเพราะว่าถ้าเราไม่กดมันมันก็จะดัน เราไปทำตามความอยากต่างๆแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนการชักไปเยอะกันเขาดันมาเราก็ต้องดันกลับไปเพราะถ้าเราไม่มีสติเขาก็จะดันเราให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเราคอยดันไว้ก็เราจะรู้สึกว่าไปกดแต่ถ้าเขายอมแพ้ปั๊บมันจะไม่รู้สึกมีการกดพอความอยากที่ดันเรามันมันหยุดมันยอมแพ้มันก็จะเบามันก็จะสงบจะสบาย อย่างนี้ถ้าเกิดผมรู้สึกว่ามันกำลังกดอยู่แต่ผมก็รู้เฉยๆว่ามันกดอยู่ก็รู้ไปงี้เรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะดับไปตามชถ้ามันรู้ว่ามันสู้เราไม่ได้เดี๋ยวมันก็หยุดเองอพอมันหยุดแล้วที่นี่เราก็จะรู้สึกโล่งเบาสบายไม่มีอะไรมากดดันหล้อ ขอคํำถามสุดท้ายครับในช่วงระหว่างวันเนี่ยหลังจากการปฏิบัติทุกวันมันก็จะมีรู้สึกว่ามีสติเกิดขึ้นเป็นระยะระยะต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆขณะที่สติเกิดขึ้นเนี่ยตัวผมเองก็พยายามจะประคองสติเนี่ยให้มันตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ามันก็จะกลับไปหลงกลับไปอะไรเงี้ยฮะแต่ในช่วงขณะที่มันตื่นเนี่ยเออก็มีถูกสอนว่าให้เราเห็นเนี่ยความไม่เที่ยงเห็นใตรักของมันแต่กระบวนการที่มันเกิดขึ้นในใจมันเหมือนกับว่าเราไปบังคับไปคิด ไปมันมันเหมือนกับว่ามันไม่เกิดเป็นธรรมชาติเราจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่าเราเริ่มเดินปัญญาแล้วอะครับขั้นต้นแล้วต้องมีสติที่เสถียรก่อนสติที่ต่อเ น, นื่องสติที่ไม่ขาดตอนเห็นครั้งนี้เราเป็นต้องฝึกสติเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่มีสติความคิดของเราจะไม่ไปทางปัญญามันจะไปทางกิเลสแล้วความคิดทางปัญญาจะเกิดต่อเมื่อเรามีสติบังคับให้มันคิดไปในทางปัญญา Way, เราต้องมีสติอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วเราถึงจะบังคับมันคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงได้เห็นอะไรก็บังคับให้มันคิดว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเราเป็นผู้ใช้มือถือถ้าเราไม่มีสติมันจะคิดแบบนี้ไม่ได้มันจะไปคิดแบบเดิมมันจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราเตอ น, นี้พยายามฝึกสร้างสติให้มากๆก่อน ยันสาวสามารถนั่งสมาธิได้นั่งแล้วก็สงบได้แล้วพอออกจากสมาธิแล้วทีนี้เราจะมีใจที่ว่างใจที่พร้อมที่จะรับคําสอนของปัญญาเราก็คอยสอนคอยเตือนมันบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงต้องปล่อยวางมันเป็นมือมือถือเครื่องหนึ่งเราไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนี้มันก็จะทําให้เราไม่กลัว ความตายไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวอะไรแสดงว่าตอนที่เราเริ่มมีสติแล้วเราก็จะเอาเหมือนกับคําสอนเอาเอาธรรมเนี่ยมากํากับใจอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ยังมีเป็นกระบวนการของการคิดอยู่แต่สุดท้ายมันก็จะมันจะ <ไป S 1> ออนลงคิดไปในทาง<ๆ> ท, ที่ถูก เ, เรียกว่าสัมมาทิฏฐิออคิดไปในทางปัญญาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิตอนนี้เราคิดไปในทางมิจฉาทิฏฐิคิดว่าเป็นเราตัวเราของเราคิดว่าทุกอย่างที่มีมันเที่ยงแต่มันไม่มันไม่ถูก ความจริงไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราเราต้องมาคิดใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่เป็นทัศนคติต่อสิ่งต่างๆไลยจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติควบคุมใจให้นิ่งก่อนเมื่อใจนิ่งสงบแล้วที้เวลาเราออกจากเวลานิ่งสงบเราไม่ต้องทำอะไรเราต้องการให้ใจพักให้อยู่ความนิ่งนานๆจะได้มีกาลังที่จะมาคิดในทางที่ถูกได้เวลานั่งสมาธิอย่าไปคิดอะไร เวลานิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไปจนกว่ามันจะถอนออกมาพอมันถอนออกจากสมาธิแล้วถ้าอยากจะคิดก็ดูว่ามันคิดไปทางปัญญาได้เปล่า <c oughs> คิดว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราได้เปล่า <c oughs> คิดเพื่อไม่ให้ลืมแล้วต่อไปเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ไม่เราจะได้ปล่อยวางได้เว <c oughs> ลาร่างกายเป็นอะไราก็บอกเออมันไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นก็เป็นไปอรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็มันก็ต้องเป็นก็จะไม่ทุกข์ขึ้น ขอคำถามสุดท้ายครับมันจะแปลกไหมเวลาปฏิบัติเนี่ยตัวผมเนี่ยไม่ค่อยมีวิธีเป็นหลักบางครั้งผมก็มาลุกกายบางทีก็มาลุลมบางทีผมก็พุโทโธแล้วแต่ว่าวันนั้นมันความรู้สึกเป็นยังไงอย่างงี้มันจะทําให้การปฏิบัติชา้าหรือชา้าหรือเปล่าครับวิธีฝึกสติสามารถเปลี่ยนเป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งสติได้บางทีเราก็ตั้งที่พุโทโธบางทีเราก็ตั้งที่ร่างกา ย, เ, ยเช่นเฝ้าดูร่างกายเคลื่อนไหวในริยาบทต่างๆ ก็ยังเป็นการสร้า ง, ส, างสติอยู่พุทธโธก็ได้ดูลมก็ได้อะไรทั้งนองนีน้เปลี่ยนได้เวลาที่เราฝึกสตินี้เปลี่ยนได้พ<ข>อาบางบา ง, บางเวลามันเบื่ออย่างนี้ก็ใช่อย่างหนึ่งหรือบางอย่างบางทีเหตุการณ์มั น, ม, นมันมาเข้าไปเราใช้อย่างนี้เราก็ใช้อย่างนี้ไปบางนี้ก็สบายใจขึ้นครับ แ, แต่เวลานั่งสมาธิแล้วถ้าถ้าเพ่งดูลมก็อย่าไปเปลี่ยน ให้อยู่อยู่อยู่เรื่องเดียวตอนนั้นต้องอยู่เรื่องเดียวเปลี่ยนไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนใจมันก็จะไม่นิ่งมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาถ้าต้องการให้มันนิ่งเต็มที่ตอนนั้นเวลานั่งสมาธิต้องเอาเรื่องเดียวพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไปเลยแต่เวลาที่ไม่ได้นั่งเวลาที่เราฝึกสติทางานทำการอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนได้พุทโธก็ได้ดูเฝ้าดูการทางานของเราก็ได้สวดมนต์ก็ได้ แล้วแต่เพื่อควบคุมความคิดแต่เวลานั่งเพื่อให้มันรวมให้มันนิ่งเนี่ยมันต้องเอาเรื่องเดียวอย่างเดียวเข้าใจนะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณครับอาจารย์มีใครอยากจะถามไหมไม่มีจะลองดูว่าทางทางบ้านมีคำถามเข้ามาไหมมีค่ ะ, ะถามเราคำถามจากคุณชนะตน การทำงานทางโลกต่อให้ทำดีแค่ไหนยังไงก็ต้องเจออคติไม่มากก็น้อยจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่เราก็ต้องยอมรับทำให้อยากเน้นการปฏิบัติเยอะขึ้นเพราะเชื่อว่าผลเกิดจากการกระทำของเราเองไม่มีอคติเกี่ยวข้องส่วนงานทางโลกทำตามหน้าที่ไปไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือไม่คะก็ทางโลกก็เป็นธรรมดามีสรรเสริญมีนินทาคนที่ชอบเขาก็สรรเสริญ คนที่เขาไม่ชอบเขาเสียประโยชน์เขาก็นินทานการทํางานก็ขอให้เราบนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามก็แล้วกันส่วนคนอื่นเขาจะชอบไม่ชอบนี่เราไปบังคับเขาไม่ได้คําถามจากคุณบีหน้าถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายในการทําบุญทั้งค่าน้ํามันในการเดินทางและค่าของทําบุญทําให้เราได้ได้ไปแค่ทําบุญแทนผลของบุญจะเกิดกับใครคะ มันก็เป็นบุญสองส่วนไงบุญที่เกิดจากการเสียสละข้าวของเงินทองก็เป็นของเจ้าของเงินทองไปส่วนเราก็ได้บุญในการที่เรารับใช้เขารับใช้เอาข้าวของเงินทองไปทำบุญให้กับเขามันก็เป็นบุญคนละอย่างกันคาถามจากคุณจงศินีการที่เราได้เจอคู่ชีวิตที่แย่ๆเช่นอารมณ์ร้อนเสพอบายยมุกทั้งหลายเกิดจากวิบากกรรมอันไหนคะ ก็จากความโง่ของเราสิเลือกคนไม่เป็นดูไม่ดูคนนี่ไปดูนิสัยก็าสิทดสอบได้ไม่ใช่เจอปั๊บก็รักกันก็แต่งกันเลยก็มั่นกันไปก่อนฝึกศึกษากันไปก่อนดูนิสัยใจคอก่อนเขาบอกอยากจะรู้ว่ารักกันจริงมัหรือเปล่าก็าให้ไปเดินขึ้นดอยดอยอะไรดอยภู ก, ก็เดินดูแลจะรู้ว่ารักกันจริงมัหรือเปล่า คือคนเราต้องผ่านความทุกข์ความทุกข์ยากลําบากแล้วธาตุแท้ของคนมันจะออกมาถ้าอยู่ร่วมกันน่ามีแต่ความสุขได้มีแต่เที่ยวมีแต่ความสุ ข, ม, ม, ม, สขมันจะไม่เห็นธาตุแท้ต้องไปให้ฟันฝ่าความทุกข์ยากลําบากเพราะชีวิตมันไม่เป็นดอกกุหลาบใช่หไหมไม่ได้ป่วยด้วยดับกรีบดอกกุหลาบเพียงอย่างเดียวมันมีทั้งขวากมีทั้งหนาม เนเวลาถ้าเราไม่ทดสอบกันเวลาไปเจอขวากน้ำแล้วบางทีเราจะรับเของไม่ได้ไมเมื่อธาตุแท้ของเขาออกมาคำถามจากคุณเจพรถ้าเราอยากทาทานแต่สามีไม่เห็นด้วยแต่เราแอบไปทำํำเราจะได้บุญหรือบาปคะถ้าเป็นเงินของเราเราก็ได้ถ้าเป็นเงินของสามีสามีมีส่วนก็แสดงว่าเราขโมยเงินเขาไปทําบุญเราก็ทําส่วนของเราอ หรือว่าบอกเขาก่อนว่าจะไปทําบุญถ้าส่วนไหนถ้าเป็นของเขาก็าไม่ก็ไม่ให้ทําก็เราก็อย่าทําเราบอกนะนี้นเราทําส่วนของเราก็แล้วกันถามจากคุณเอนะคะวิธีการออกจากสมาธิโดยการดึงสติกลับมาอย่างที่พระอาจารย์สอนคือทํำยังไงคะไม่ค่อยเข้าใจค่ะอ๋อไม่ได้ดึงสติมันมีเวลานั่งสมาธิจิตสงบ สติมันมีแต่มันอ่อนกําลังลงความคิดเลยกลับมาเพราะกลับมามันก็อยากจะลุกขึ้นมาถ้าเราอยากจะปล่อยให้มันลุกแล้วก็ลุกถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็พุทโธใหม่เริ่มสร้างสติขึ้นมาใหม่เพิ่มกําลังของสติให้มากขึ้นถ้าสติมากขึ้นมันก็จะหยุดความคิดได้มันก็จะนั่งต่อได้ดงนั้นวิธีออกสมาธินี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะบังคับมันมันออกเพราะว่าสติเรามันอ่อนกําลังหรือเราไม่อยาก เราไม่สร้างสติเพิ่มขึ้นมาเราปล่อยให้ไม่มีเราปล่อยให้สติแบบสบายสบายให้ดูเฉยเฉยพอมันคิดเราก็ไม่หยุดมันมันก็เลยออกมาแต่ถ้าเราอยากอยากจะนั่งต่อพอมันคิดปั๊บเราก็ต้องใช้พุทโธใช้อะไรควบคุมหยุดมันให้ได้คำถามจากคุณเคอารค่ะ เวลาฝึกสมาธิถ้าจิตคิดเรื่องราวต่างๆเราควรตามดูปล่อยให้คิดไปจนจบเรื่องหรือว่าควรหยุดไม่คิดอะไรเลยคะเถ้าปล่อยให้มันคิดมันมีวันหยุดอ่ะมันจบเรื่องนี้มันก็ไปเรื่องนั้นต่อเวล า, าต้องหยุดความคิดการนั่งสมาธิก็คือการหยุดความคิดไม่ใช่ปล่อยให้คิดถ้าปล่อยให้คิดก็ไม่ต้องนั่งสมาธิเพราะเราคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วมันก็ไม่ต่างกันคําถามจาคุณจงแจงค่ะ ฟังคําพระอาจารย์มาหลายปีแล้วปฏิบัติตามเรื่องทานศีลภาวนาปีวิเวกเรื่อยๆตอนนี้เวลานึกถึงเรื่องความตายกี่ครั้งจิตมันไม่กลัวหรือหดหูเหมือนเมื่อก่อนที่กลัวแม้แต่จะคิดอย่างนี้กิเลสยังหลอกเราไหมคะถ้าใจไม่กลัวไม่หลอกเพียงแต่ว่ามันไม่กลัวจริงหรือเปล่าท่านนั้นเองก็ต้องไปทดสอบดูต้องไปหาเหตุการณ์ที่น่ากลัวดูแลแล้วยังกลัวอยู่หรือเปล่าะ ถ้ายังกลัวแสดงว่ามันหลอกเราอแต่ถ้ามันไม่กลัวมันยอมตายมันรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราปล่อยมันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะไม่กลัวคําถามจากคุณซีซั่นเช้งค่ะขณะนั่งสมาธิบางวันไม่ได้กําหนดพุทโธแต่สวดคาถาเงินล้านไปเรื่อยๆได้ไหมคะได้สวดบทไหนก็ได้ขอให้ใจยอย่าไปคิดก็แล้วกัน ถ้าไม่ไ้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สวดไปจิตมันก็จะเบาจะจะจะเบาลงแต่มันยังอาจจะไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะให้มันสงบเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจหรือให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวมันจะสงบเต็มที่ได้คำถามจากคุณโอเคหลวงพ่อครับทำอย่างไรจะนั่งสมาธิได้นานๆครับก็ต้องฝึกสติไปก่อน่ย คอยควบคุมความคิดตอนที่เรายังไม่นั่งเราสามารถควบคุมใจเราได้ตั้งแต่เราตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาพอมันจะคิดเราก็ให้มันพุโทโธพุโทโธไประหว่างไปเตรียมตัวทําอะไรอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปถ้าไม่ชอบพุโทโธก็ดูงานที่เรากําลังทําอยู่ในตอนนั้นกําลังแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียว อย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ให้อยู่กับการแปรงฟันล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้าหวีผมก็อยู่กับการหวีผมนี่เราก็จะคเราก็จะควบคุมความคิดได้ในระดับหนึ่งแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตาแล้วก็ให้มันอยู่กับพุทธโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปมันก็จะสงบได้ไม่คิดได้คําถามจากคุณมณีวัน การรวมสติโดยการฟังธรรมไปด้วยการโดยการที่ให้จิตไม่คิดเรื่องอื่นถูกต้องไหมคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราฝึกสติได้เวลาฟังธรรมถ้าเราจดจ่ออยู่การฟังเราก็ไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ถ้าไม่ไปคิดเวลานั่งฟังธรรมจิตก็สงบได้ในระดับนึงมีความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแต่มันก็ยังไม่รวมถ้าอยากจะรวมต้องปิดเสียงธรรมไม่ฟังธรรมแล้วก็ดูลมไปอย่างเดียว ต้องให้จิตอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งไม่ต้องคิดบาง ท, ทีเรายังคิดอยู่จิดอยู่กับเรื่องธรรมคาถามจากคุณสุวรรณาฐานของจิตคืออะไรคะแล้วถ้าเราสามารถฝึกจนสามารถมีฐานของจิตแล้วหมายถึงเราจะไม่สูนจิตส่วนนั้นแล้วใช่ไหมคร อ, อ๋อฐานขงจิตก็คือที่ตั้งที่ที่จิตมีความมั่นคงแน่นหนาเราเรียกว่าฐานก็คือความสงบนี่ เวลาจิตสงบแล้วจิตจะมีความเต้นหนาปึกแผ่นแข็งเหมือนก้อนหินจิตใจไม่หวั่นไหวพราะจิตจะมีโอเบคาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอะไรมาสัมผัสใจจะไม่ไหวไปกับความรักความชังความกลัวความหลงคำถามจากคุณพีโกเราซื้อขายหุ้นเวลาหุ้นขึ้นก็ดีใจเวลาหุ้นลงอารมณ์ไม่แจ่มใส ขออาจารย์สอนวิธีปรับอารมณ์ด้วยครับก็สอนว่ามันเป็นของธรรมดาเหมือนฝนตกฝนฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปหวังอะไรจากมันะเราไม่ค่อยหวังอะไรจากฝนฟ้าอากาศใช่ไหมมันตกก็ปล่อยมันตกไปมันหยุดก็หยุดไปเราก็จะไม่ดีใจเสียใจกับเวลาฝนตกหรือไม่ตกแต่เราไปฝากความหวังไว้กับหุ้นขึ้นพอมันตกเราก็จะเสียใจ เราไปฝากความสุขไว้กับการขึ้นของหุ้นเพอหุ้นตกเราก็จะทำให้เราเสียใจน้นเราอย่าไปฝากความสุขของเราไว้กับหุ้นเราต้องยอมรับว่ามันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาถ้าอยากจะมีความสุขไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าแต่การซื้อหุ้นเล่นหุ้นถือว่าเป็นการทำมาค้าขายกันแล้วกันยังต้องมีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ทาไป ค้าขายก็มีกำไรมีขาดทุนเป็นธรรมดาก็ยอมรับไปเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับการขึ้นการลงของหุ้นหรือการค้าขายกำไรหรือขาดทุนเราก็จะไม่วุ่นวายพอเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะขาดทุนได้มีโอกาสที่จะกำไรได้แต่ถ้าเราอยากจะหาความสุขมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าอันนี้เป็นความสุขที่ไม่ขึ้นไม่ลง ้้้าเเรรููจจัักทแลวมมมนะไไดออยยย่่่ืๆีีสคำถามจากคุณพัฒนานป้าผมขี้บ่นครับเวลาแกใช้งานหรือสั่งให้ทำอะไรแกจะเร่งโทรมาจิกบางทีผมตั้งใจจะทำในเวลาที่ผมตั้งใจถ้าแกถามทำหรือยังถ้าตอบว่ายังแกก็จะบ่นจนหูไม่ผมเลยต้องโกหกเลี่ยงไปว่าอือๆทําทำไปแล้วเพื่อเลี่ยงแกบน่นแบบนี้ผิดศีลข้อมุสาไหมครับ ผิดเน่แต่มันก็ถ้ามันไม่ได้ทําให้การเสียหายก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋พูดไม่ต้องไม่พูดไม่ให้มันเต็มพูดความจริงครึ่งเดียวก็พอแล้วก็ถามทำหรอทําทําแต่ไม่ทําตลอดไม่ต้องไปบอกว่าทําตลอดหยิบขึ้นมาทำํำนาทีสองนาทีแล้วก็วางไว้แล้วก็อย่างนี้ก็ไม่ได้โกหกแล้วถ้าถามว่าทำหรือเปล่าทํำถา ม, ถา ม, ถา ม, ถามว่าเสร็จหรือยัยงยังไม่เสร็จ ก็ไม่ต้องโกหกเน้นเวลาใครเขาใช้ทําอะไรแล้วก็ทําท่านิดก่อนแล้วเฝอร์เอร์เขาถามจะได้บอกว่าทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จใจเย็นๆรอไปก่อนคําถามจากคุณชานี้เวลาที่ร่างกายเป็นไข้จะมีอาการไม่สุขสบายกายในช่วงเวลาที่สติที่เราอ่อนอยู่กําลังฝึกอยู่จะมีกลอุบายอย่างไรให้เราไม่ฟุ้งซ่านขณะนั่งสมาธิ รู้สึกได้ว่าร่างกายภายในร้อนมากและฟุ้งซ่านมากค่ะก็อย่าไปคิดถึงเรื่องของร่างกายพยายามให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับการสวดมนต์ไปพอใจแล้วไม่ไปคิดถึงเรื่องของร่างกายมันก็เหมือนกับไม่มีร่างกายใจก็จะไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บความปวดของทางร่างกายคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลามีคนมาทาให้เราทุกข์สักแต่ว่ารู้ทุกข์ไม่ทุกข์ตามรู้สุก ให้สุขตามทําใจให้เป็นปกติเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องให้รู้เฉยๆหรือว่าสุขมาแล้วเดี๋ยวก็สุขไปทุกมาแล้วเดี๋ยวก็ทุกไปไม่มีอะไรถาวมนเหมือนกับดินน้ําลมไฟเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกแล้วเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวแดดออกแล้วเดี๋ยวฝนก็ตกใหม่ควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาตกไปปล่อยให้มันสุขไปปล่อยให้มันทุกไปตามเรื่องของมัน คำถามจากคุณไทมคุณพ่ออายุเยอะแล้วเป็นคนหงุดหงิดง่ายใจร้อนตอนนี้ท่านป่วยร่างกายไม่แข็งแรงอยากจะให้ท่านหันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมแต่ไม่ใช่นิสัยของท่านท่านเพียงชอบไปเที่ยวไหว้พระตามวัดเท่านั้นเ่อพยายามแนะนำท่านสอนท่านไหวพ้พระสวดมนต์ฟังธรรมทำสมาธิแล้วแต่ท่านไม่ทำท่านบอกไม่ชอบอยากจะขอคาแนะนาจากพระอาจารย์ว่าทาอย่างไรในการ จูงใจให้คนที่ห่างไกลธรรมะให้หันมารักษาศีลทำสมาธิครับก็เหมือนกับไปจูงหมาไปอาบน้ําถ้าหมาไม่อยากอาบน้ําก็อย่ากไปจูงมันเลยมันไม่เอาเ อ, อ่างั้นอย่าไปฝืนคนที่เขาไม่ทําตามที่เราอยากเหมือนเขาถนัดมือขวาจะไปให้เขาใช้มือซ้ายนี่ยเขาจะใช้มือซ้ายก็ออไม่ใช้หรอกเขาเขาไม่ชอบเข้าวัดเขาชอบไปเที่ยวยนี้จะไป ให้เขาไปเข้าวัดได้อย่างไร <Okay. S 1> ก็มีแต่วิธีเดียวทาได้คือพูดโฆษณาชวนเชื่อเหมือนเราโฆษณาขายสินค้าเนี่ยถ้าเราอยากจะให้คนซื้อสินค้าเราเราก็ต้องพยายามหาวิธีจูงใจเขาด้วยการโฆษณาบอกว่าสินค้าเราดียังไงวิเศษยังไงถ้าเขาฟังแล้วเขาเชื่อค่อยอยากจะทำเองเนีนเราต้องอย่าไปสั่งเขาทาว่าให้ทำอย่างนีทนี้ ต้องโฆษณาว่าทำแล้วมันดีอย่างไรถ้าเราโฆษณาได้ดีเขาฟังแล้วเขาเกิดศรัทธาเขาก็ทำเองมีคนไม่ชอบเราชอบชวนเราทะเลาะอยู่เป็นประจำผมพยายามไม่โต้อตอบพยายามเงียบแต่เดินหนีไม่ได้เนื่องจากทำงานอยู่ที่เดียวกัน เป็นแบบนี้นอกจากแผ่เมตตาให้เขาพอจะมีวิธีควบคุมอารมณ์หรือจิตใจให้เข้มแข็งสงบนิ่งได้ยังไงบ้างเพราะบางทีเจอบ่อยๆก็รู้สึกมีโทสะขึ้นมาทำให้จิตใจเศร้าหมองพอจิตใจไม่ดีก็ใช้สติใช้พุทโธเวลาใครเขาพูดอะไรเราอารมณ์อารมณ์ไม่ดีเราก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปฟังปล่อยเขาพูดไปล้วห้ามก็ไม่ได้แต่เขาบังคับเราให้เราฟังไม่ได้ ถ้าเราไม่ฟังก็เขาก็มาบังคับเราไม่ได้เราก็บังคับให้เขาหยุดพูดไม่ได้เอนเราก็ปล่อยก็พูดไปแล้วเราก็อย่าไปฟังเรามาฟังพุทโทของเราไปอยู่กับพุทโทพุทโทพุทโทรพุทธโทไปเสียงที่เขาพูดมาเราก็จะไม่ได้ได้ยินแต่เราจะไม่เข้าใจเพราะเราไม่ไปคิดตามที่เขาพูดให้อยู่กับพุทธโทรไปจะคุณรุจิค่ะ ตามประเพณีไทยเชื่อกันว่าการบวชพระนั้นเป็นการทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาแล้วผู้ที่จะบวชได้รับบุญจากการบวชไปพร้อมๆกับบิดามารดาด้วยไหมคะผู้บวชเนี่ยได้บุญมากกับบิดามารดาบิดามารดาได้อ น, นิสงส์จากการบวชของเราเพราะจะดึงให้บิดามารดาได้มาวัดเนี่ยอย่างพ่อมักไม่ชอบเข้าวัดแต่พอลูกบวชพ่อก็เลยต้องมาเยี่ยมลูกที่วัด พอก็จะได้มาทำบุญเวลามาวัดก็ไม่ได้มาตัวเปล่าๆก็ต้องเอาข้าวเอาของมาทำบุญ ถ, ถ้าที่วัดมีการแสดงธรรมก็จะต้องฟังธรรมไปฟังไปฟังมาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้มีพ่อแม่บางคนไม่เคยเข้าวัดแต่มาเข้าวัดเพราะลูกมาบวชแต่พอลูกสึกไปพ่อแม่กลับมาวัดต่ออย่างต่อเนื่องเพราะติดใจเพราะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการมาวัดจากการทาบุญจากการได้ฟังเทศฟังธรรม เขาก็เลยเนี่ยเป็นอานิสงส์ที่เราจะหนึกพ่อแม่ให้ออกจากอบายได้พ่อแม่จะได้มารู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องอบายเรื่องนรกต่างๆเราจะได้ถ้ายังทําบาปอยู่ก็จะได้เลือกทําบาปได้อันนี้คือบุญที่พ่อแม่จะได้รับถ้าเราไม่มาบวชพ่อแม่ก็จะไม่มีเหตุที่จะมาวัดเพราะต้องวุ่นวายกับการทํามาหากินวุ่นวายกับเรื่องสังคมต่างๆ ก็จะไม่มีเวลามาวัดจะมาก็แบบดานปี ท, ทีปีหนวันปีใหม่หรือวันอะไรสำคัญสำคัญท่านนั้นเองแต่ถ้าลูกมาบวชสามเดือนนี่บางทีจะมาทุกอาทิตย์เลยมาก็จะมีการฟังเทศฟังธรรมมีการทำบุญใส่บาตรมีการรักษาศีลพอมาแล้วได้ลองทำดูก็จะรู้สึกเกิดในความสุขใจเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า บางทีลูกสึกไปแล้วพ่อแม่กลับมาต่อลูกกลับไปตกนรกแต่พ่อแม่กลับได้ขึ้นสวรรค์ลูกกลับไปไปทํางานไปกินเหล้ า, มาเมายาไปเที่ยวไปเล่นการพนันเแต่พ่อแม่ไม่ไปแล้วเพราะตอนที่ลูกบวชลูกไม่ได้บวชเพื่อศึกษาลูกบวชที่ว่าลูกบวชเพื่อพ่อแม่ก็เลยไม่สนใจที่จะศึกษามีแต่คอยนับวันนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะได้ศึกก็เลยไม่ได้เรียนรู้อะไรไม่ได้รับประโยชน์ พอสึกไปแล้วก็ไม่กลับเข้าวัดอันนี้ก็เป็นเป็นการตอบแทนพ่อแม่บุญคุณพ่อแม่พอบุญคุณของพ่อแม่นี่ล้นหลามมีวิธีเดียวที่เราจะใช้งบุญทุนของพ่อแม่ได้หมดก็คือทำให้พ่อแม่พ้นจากอบายถ้าพ่อแม่รักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้พ่อแม่ก็จะพ้นจากอบายได้ระยะเวลา ในการบวชมีผลต่อบุญที่จะได้รับไหมคะบวชนั้นมันก็ได้มันก็ได้มากเหมือนแช่ผ้าไว้จะซักผ้าอย่างเงี้ยแช่เดี๋ยวเดียวเอาขึ้นมามันก็สู้แช่นานๆไม่ได้การบวชก็เหมือนกับมาซักพอกจิตใจซักพอกโลภโกรธหลงให้มันหมดไปจากใจถ้าบวชปั๊บวชเช้าศึกเย็นนี่มันไม่มีมันไม่มีเวลาที่จะฟอกผ้ายังไม่ทันเปียกก็ยกออกจาก เครื่องแล้วเ่งซักผ้าแล้วมันก็ยังไม่ได้ซักฟอกแต่ก็ไม่ใช่มีเวลาอย่างเดียวถ้าบวชแล้วบวชแบบทับพีในหม้อแกงก็เหมือนไม่ได้ซักฟอกหรือซักแบบไม่มีน้ำไม่ได้ใส่น้าไม่ได้ใส่แฟบบวชแต่กิริยาโกนหัวน่องเหลืองห่มเหลืองแต่ไม่ทำกิจวัตรของพระไม่ศึกษาไม่ร่ำเรียนไม่ปฏิบัติบวชอย่างนั้นก็เหมือนกับไม่ได้บวช แช่นบวชแล้วมาทำเป็นอาชีพแทนที่จะไปเรียนไปปฏิบัติก็มาหัดสวดมนต์แล้วก็ยึดการสวดมนต์เป็นอาชีพไปสวดศพไปสวดงานนั้นสวดงานนี้สวดแล้วก็ได้เงินมาได้เงินมาก็ไปซื้อของเล่นกันซื้อของของเสพกันซื้อบุหรี่ซื้ออะไรไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ถ้าบวชแบบนี้บวชไปนานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ คำถามจากคุณบีนี่ค่ะอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่รบควรพระอาจารย์ช่วยแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยค่ะก็มีหลายทัานตอนหลายระดับด้วยกันถ้าเรายังอยู่กับพ่อแม่ก็ต้องเคารพพ่อแม่เทิดทูลบูชาพ่อแม่ไว้เหนือหูไม่ดื้อดึงต่อพ่อแม่ไม่เถียงพ่อแม่ไม่ด่าพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่เคารพพ่อแม่ เชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อแม่เวลาพ่อแม่พูดอะไรไม่ถูกใจก็ไม่เถียงฟังไว้ถ้าสิ่งที่ท่านบอกให้เราทำไม่ถูกเราไม่ต้องทำตามก็ได้แต่ไม่ควรที่จะไปเถียงกับพ่อแม่ท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือท่านอาจจะไม่รู้ว่าไม่ถูกแต่ท่านหวังดีท่านอยากจะให้เราดีในเวลาพ่อแม่สั่งสอนเราเราต้องฟังอย่างเดียวแล้วถ้าพ่อแม่เดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแล รับใช้พ่อแม่พ่อแม่แก่เท่าไปโรงพยาบาลเองไม่ได้ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลไปอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าบวชได้ก็บวชเพื่อจะได้ดึงพ่อแม่เข้าวัดได้อันนี้แล้ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้กับพ่อกับแม่ได้แล้วนอกจากนั้นก็ทำตัวเราให้ดีไม่ให้เสียชื่อเสียงของพ่อแม่ เพราะเวลาเราทำอะไรไม่ดีเราใช้นามสกุลของพ่อแม่คนเขาก็จะมองพ่อแม่ว่าไม่ดีได้เราก็นัองรักษาชื่อเสียงของตระกูลของพ่อแม่ด้วยการประพฤติตัวให้เป็นคนดีนี่ก็คือวิธีทดแทนวุญญคุณต่างๆเพราะการกระทำแบบนี้จะทำให้พ่อแม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ใจเท่าที่ผมฟังรูนะครับหลวพ่อคือ ผมก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ฟังดูผมมานั่งคิดดูผมผมรู้จักศาสนาพุทธนี่ตอนตอนตอนสูงวัยแล้วแต่เท่าที่ฟังดูผมที่ว่าศาสนาพุทธคำสอนเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนอย่างยิ่งแต่ผมรู้สึกว่าตอนเด็กๆแล้วเด็กทั่วไปแล้วที่ฟังงมาเนี่ยการสั่งสอนหรือการฟังเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่าคนไม่เข้าใจ คนไม่เข้าใจเนื่องจากว่าไปเข้าวัดเข้าอะไรเนี่ยเ พ, เพราะตอนสมัยเด็กๆเราก็จะถูกโรูเรียนนี่พาเข้าวัดแล้วบอกไปฟังพระพูดว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าถ้าฟังคำมานั่งคิดถึงคำสอนที่พระเจ้าท่านท่านท่านตรัสไปเนี่ยเป็นคำพูดที่ท้าไทย เล็บอันนั้นมากเพรนั้นท้าพิสูุที่ท้าถ่ายมากนะเป็นคำพูดที่ท้าถ่ายสั้นกระชับและท้าถ่ายทีนี้ถ้าเราสามารถทำเรื่องพวกนี้เนี่ยให้คนทั่วไปได้รับรู้รับทราบในวงกว้างเนี่ยผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทำไ ม, ไ ม, ไ, ม, ไ, มไม่ไม่ไม่มีการพยายามทำเรื่องพวกนี้ให้มันกระจายครับก็เพราะว่าผู้ที่จะมาทำนี้ไม่มีมีไม่มากเยเพราะผู้ที่จะมาทานี้จะต้อง เป็นผู้ที่ศึกษาก่อนศึกษาแล้วก็ต้องไปปฏิบัติจนสามารถรู้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติถึงจะสามารถมาสอนมาอธิบายได้ั้นการสั่งสอนของทางาศาสนาเราช่วงนี้จะคนส่วนใหญ่ที่มาสอนจะเป็นสอนแบบนกแก้วคือให้ท่องไปให้หัดทําไปแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไปทไําไมอันนี้ก็เพราะว่าผู้ที่มาสอนก็ไม่รู้ เพราะว่าไม่ได้เรียนเจาะลึกเข้าไปเรียนเพียงแต่วิธีทมเขาบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำไปก็เลยไม่เข้าถึงแก่นของศาสนาไม่เข้าถึงเหตุของผลของการการะทำต่างๆว่าทำบุตทำทานทำไมรักษาศีลทำไมนั่งสมาธิทำไมฟังเทศฟังธรรมทำไมทุกอย่างนี้มันมีเหตุมีผลแต่สมัยนี้การบวดเรียนมัน พูดว่าขาดตกบกพร่องก็แล้วเกินไม่ไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่มีผู้ที่จะมาคอยอธิบายคอยมาแสดงความเข้าใจให้ได้อย่างถูกต้องมีก็น้อยมากมีก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่บวดแล้วก็ไปปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผ้าป่ากันถ้าผ้าบ้านก็เรียนแบบเรียนตำราท่องกันไปโดยที่ไม่เข้าใจความหมายของการท่องตํำราเหล่านั้น ใช้การจดจําไปแปลว่าลักษณะแบบนี้หมายความว่าศาสนาจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คืออยู่ว่าผู้ที่มามาศึกษามานั้นปฏิบัติด้วยหรือเปล่าศึกษาแล้วต้องปฏิบัติพิสูจน์สิ่งที่เราศึกษาอย่างที่เมื่อกี้คุณบอกท้าทายแต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้สว่วนใหญ่แบบศึกษาแล้วไม่ไปปฏิบัติกันศึกษาแล้วก็ไปสั่งสอนกันะ พอให้สอบผ่านสอบความจำนั่นเองไม่ได้สอบความรู้เวลาพระที่เรียนบาลีป ร, รนี น, น, นชั้นนู่นชั้นนี้นักธรรมนั้นเป็นการเรียนเพื่อจดจำแล้วก็ทดสอบความจำเวลาไปสอบก็เขาก็ถามข้อนู่นข้อนี้ว่าจำได้หรือเปล่าแต่ไม่เข้าใจความหมายของคำตอบว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรไม่ได้ถามอย่างนั้นปรเ็นงที่ผ ม, ผม ผมตดใจคือว่าเข้อที่ไไม่็กด้ศ<ส>ึกษาดูนะครับไม่ต้องก็ได้ก็ที่ศึกษาดูนี่สมัยที่พุทธาการอ่ะองค์พระพุทธเจ้าไปไปเทศให้กับคนนั้นคนนี้เนี่ยคือพูดนั้นมันกับว่าบารรลุธรรมบรรลุอรหันต์เยอะมากเลยแล้วตอนหลังนี่ทําไมคนไม่ค่อยบรรลุอรหราาันต์เพราะฟังไม่เข้าใจคนสอนสอนไม่เข้าใจ แล้ว่พระพุทธเจ้าก่อนท่านท่านตัดในสมัยโนนี้แต่ชัดเจนมากชัดเจนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมนี้เขาต้องมีมีพลังมีมีความสามารถที่จะรับความรู้นั้นคนที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะฟังธรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักบวชเป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้ถ้าเป็นฆร า, าวานี่ยังจะเข้าไม่ถึง ก็จะต้องไปฝึกรักษาศีลฝึกสมาธิก่อนแต่ช่วงแรกๆนี้พระเจ้าจะสอนแต่พวกที่เป็นนักบวชมีศีลมีสมาธิแล้วพอพูดทางปัญญาเขาก็จะเข้าใจเขาจะบรรลุได้เพราะการจะบรรลุทำได้นี้ต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาแต่ถ้าไปสอนกับพวกคารวะญาติโยมนี้ศีลก็ยังไม่มีมีก็ไม่ครบอย่างเงี้ยสมาธินี่ก็ไม่มี ก็จะไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงปัญญาที่พระเจ้าจะมอบให้เราได้คือความรู้ของพระตจ้าวทำไมร<า>ู้ของเจ้ากัมไนเวีนะคะทีนี้ขอถามว่าถ้าสมมุติว่าลูกสาวของหนูเนะี่ยมอเห็นเจ้ากัมไนเวนแล้วเขาก็เหมือนกับว่าลูกสามารถคือคุยกับเขาได้แล้วเขาบอกว่าเหมือนกับว่าลูกหนูเคยทาให้เขาเจ็บอะไรมาจากวิชาติไรอนี้นะคะจนตาย ทีนว่าพอลูกิห็นแล้วลูกคุยเขเหมือนเขาจะต้องการมาให้ลูกหนูไม่สบายหรือว่าตายอย่างเงี้ยแล้วพอเราคุยส่งมาถึงให้าแล้วเขาไม่รับแับนี้คือยังไงเราก็ตนะ้องทําเขาไปเรื่องอย่างใช่ไหมคะคือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นด้วยกันทุกคนน่ยไม่ว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่านั้นอย่าไปกัวงวลกับมันยอมรับว่าเกิดมาแล้วทุกคนต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามันไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวร สิ่งที่เราเห็นหนังนาจะเป็นแค่ความเพ้อฝันความคิดของเราในใจเราก็ได้ฉะนั้นทำอะไรไม่ได้หรอกเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากคอยดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีที่สุดพยายามศึกษาว่าวิธีที่จะให้มีสุขภาพดีทํำยังไงแล้วก็ทําไปส่วนเวลาแตามันจะเป็นก็ต้องเป็นหมอยังต้องเป็นเลยพยาบาลยังต้องเป็นเลยไม่มีใครไม่เป็นเข้าใจไหม คนเราทุกคนเกิดมานี่จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่งั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมในเวรหรอกมันเกี่ยวกับเรื่องการเกิดมากกว่าถ้าไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีร่างกายก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายงั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องเจ้ากรรมในเวรถ้าก็จะทําเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เจ้ากรรมนายเวรมันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้มันไปถ้าเราไม่อยากจะมีเจ้ากรรมนายเวรต่อไปก็อย่าไปสร้างเวรอย่าไปสร้างกรรมอย่าไปทําบาปอย่าไปทําร้ายผู้อื่นเพราะเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมเราก็หมายความว่าก็ต้องทำบุญให้เขาไปเรื่อยๆกันเลยก็แล้วแต่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําถ้าเขาไม่รับมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำถ้าเขายังต้องการที่จะมาเอาคืนยังจองเวรจองกรรมอยู่ เขาก็ไม่รับหรอกเหมือนคุณไปชนรถไข่พังแล้วคุณก็ไปซื้อกล่ อ, องให้เขากินนี้เขาบไม่พอหรอกใช่ไหมถ้าอยากจะให้เขาหายจากโกรธเกลียดล้วก็ซื้อรถใหม่ให้เขาส mm hmm. ิเขาก็จะเลิกจองเวจองกรรมเราเราต้องชดใช้สิ่งที่เราทําให้เขาเสียหายถ้าเราชดใช้ไม่ครบเขาก็ยังไม่เลิอกอ่ะเเราไปทําบุญเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปชดใช้ความเสียหายใช่ก่อนเราอาจจะเคยฆ่าเขานี่ แล้วชาตินี้เรามาซื้อขนมซื้อทําบุญสังฆทานให้เขาเยังเขาก็บอกมันไม่พอหรอกเจ้าแม่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรกับเขามาในชาติก่อนทําให้เขาต้องมาจองเวรจองกรรมกับเราประเด็นนี้ผมขออนุญาตของพ่อแล้วออีกย่างเนี่ยมีคนบางคนสามารถติดต่ดอรับเจ้ากรรมนเวรหรือคนที่อยู่คนเราพบได้คนที่ไม่มีดวงวิญนมไม่มีร่างกายนี้ติดต่อได้ด ก็พระพุทธเจ้าก็ติดต่อกับเทวดาแล้วคนแบบที่เราเห็นพวกไอ้บางคนก็มีความสามารถสามารถทำได้ใช่อนมีจริงมีจริงมีปอมก็มีเนี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะบางทีคนก็สวมรอยกันมาเห็นเห็นว่ามีจริงเขาก็เลยสวมรอยมาเป็นหมอดงหมอดูทํานายทายทักไปเป็นการทํามาหากินเราเราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าคนคนนั้นมีจริงหรือไม่จริง คงจะยากนะไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไม่รู้กับตาของเราก็ไม่ต้องไปเชื่อดีกว่าคแคนบอกว่าหอนตว่าท่านบอกว่าเราไปชเขาแล้วอยู่ดีเราซื้ขนมมือไให้เขาเขาคงจไม่หายแต่ถ้าสมมติว่าเราทนเาไปเรื่อกระแสบุ่เป็นกระแสเย็นใช่ไหมคะก็ื่อยมันสามารถทาให้เขาเอาพฤกรรมแล้วแต่เขาไงแล้วแต่เขาจะทำให้ใจเขาเย็นหายโกรธหรือเปล่า ถ้าเขาหายโกรธเขาก็หายโกรธถ้าก็ไม่หายก็ไม่ก็ทําไปเพื่อความสบายใจของเราก็รักษาอย่าน้อยเราก็จะเป็นือว่าเราได้ทําเท่าที่เราทําได้ส่วนถ้ายังไม่หายโกรธก็ยังมีทางมาทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีได้สองทางว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมหรือเป็นเรื่องของการเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ตายตายก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครไม่ตายคิดย่งนี้มันจะได้สบายใจนะโอเคมีอีกไหมทางบ้านมีอีกไหมมีได้สักสองสองคำถามใช่ค่ะคำถามจากคุณนัฐนัทธีาค่ะการที่เราเขี่ยวเข็นใส่ลูกให้เล่าเรียนเราก็คาดหวังให้ลูกได้ดีอันนี้เราผิดถูกอย่างไรเจ้าคะ ก็ถ้าเราเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ที่จะต้องสอนลูกหรือส่งลูกไปเรียนเราก็ต้องทำํำถ้าบังคับถ้าเขาเขาดื้อเราเขายังอยู่ในเกณฑ์ที่เราบังคับได้เราก็บังคับไปแต่ถ้าถึงขีดที่เขาบังคับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะเขาก็จะโกรธเราเกลดเราได้แล้ว เ, เขาก็ไม่ทําอยู่ดีเฉะั้นถ้ายังอยู่ในในในเกณฑผลของการที่ควบคุมบังคับเขได้ก็ต้องควบคุม เพรเด็กถ้าเราไม่ควบคุมเขาก็จะทําตามใจชอบเขาก็จะเสียคนได้พวกเราทุกคนถูกบังคับให้ไปเรียนหนังสือกันเท่านั้นไม่มีใครอยากจะไปโรงเรียนกันวันแรกร้องไห้กันทุกคนแต่ถ้าไม่บังคับถ้าไม่อยากให้ร้องไห้เนี่ยเขาก็ไม่ไปเรียนหนังสือเขาก็จะไม่มีความรู้แล้วเขาก็จะลําบากยิ่งกว่าตอนที่เขาไปไปเรียนโรงเรียนครั้งแรกยังถ้าบังคับได้ก็ต้องบังคับ เพีแต่ว่าอย่าไปบังคับจนะทั่งถึงที่เกิดการแตกหกักเกิดการโกรธเกลียดกันออันนี้ก็ก็ต้องยอมเขาไปก็ยอมว่ามันเป็นกรรมของเขาถ้าเขาไม่อยากจะเรียนจริงๆก็ช่วยไม่ได้คำถามถาคุณลาวันค่ะจิตดั้งเดิมหมายถึงอะไรคะจิตดั้งเดิมค่ะก็จิตเรานี่แหละที่กลับไปสู่สภาพดั้งเดิมสภาพดั้งเดิมของจิตก็คือจิตที่อยู่ในสมาธิน เวลาจิตสงบก็เหมายกับเราไมบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตไม่บริสุทธิ์อ่เพราะมันมีกิเลสเพียงแต่ว่าเวลาเข้าไปในสมาธิกิเลสมันไม่ทํางานชั่วคราวมันเหมือนบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์เพียมเพราะว่าสมาธิเป็นเหมือนหินทับยามันไม่ได้ตัดมันไม่ได้ทําให้จิตบริสุทธิ์เพียงแต่ให้บริสุทธิ์ชั่วขณะที่สงบพอออกจากความสงบความบริสุทธิ์ก็หายไปหมายเพราะว่าจิตตอนเกิดเนี่ยมันมีความ า ม, มามมีเกลเอามาด้วยมีแต่เอ่ อ, อมีทั้งทุกคนเราเนี่ยมีกิเอมาตลอดมีพระพุทธเจ้าพาาาระอรหันตานั้นไม่มีเพราะท่านมาชำระมันท่านทำให้จิตบริสุทธิ์เนี่ยด้วยการฝึกสมาธิด้วยการใช้ปัญญาทำลายกิเอตันหาต่างๆให้หมดไปจากจิตเนี่นี่ก็หาแล้วนะคิดว่าพอดีหมดเวลาพอดี